อาทิกรณ์อัปปัสมวัคหมวดว่าด้วยการระงับอาิกรองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอาิกรท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหน้อแลไม่ควรระงับอาิกรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าไม่ควรระงับอาิกรองค์ห้าคือ หไม่รู้อาบัติ2ไม่รู้สมุทฐานแห่งอาบัตสาไม่รู้ประโยคแห่งอาบัตสีไม่รู้ความระงับอาบัตห้ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ หรู้อาบัตสอรู้สมุทฐานแห่งอาบัตสารู้ประโยคแห่งอาบัตส4รู้ความระงรับอาบัตห้ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แหลควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม่อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์ องค์าคือ 1. ไม่รู้อธิกรณ์สไม่รู้สมุทฐานแห่งอธิกรณ์สไม่รู้ประโยคแห่งอธิกรณ์สไม่รู้ความระ ง, งับอธิกรณ์หไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์านี้แหลไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องของภิกษุผู้ควรระ ง, งับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. รู้อธิกรณ์สรู้สมุทฐานแห่งอธิกรณ์สรู้ประโยคแห่งอธิกรณ์สรู้ความระงับอธิกรณ์หฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่ง อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรระงรับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสมลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวหเป็นอรชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรระงรับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงรับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์หคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัวหเป็นลัชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวหได้ยินได้ฟังน้อยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้และไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรระงรับอธิกรณ์องค์หคือหนึ่งไม่ลำเอียงพระชอบสองไม่ลำเอียงพระชังสไม่ลำเอียงพระหลงสไม่ลำเอียงพระกลัว 5. เป็นพระหูสูตรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรระงรับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงรับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม่อื่นอีกไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์หคือหนึ่งไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทานสไม่รู้พระบัญญัติสไม่รู้บทที่ตกลนในภายหลัง 5. ไม่รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระ ง, งับอธิกรณ์ อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรระงรับอธิกรณ์องค์5คือ1รู้วัตถุ2รู้นิทานสรู้พระบัญญัติสรู้บทที่ตกล่นในภายหลัง5รู้ถ้อยคําอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลควรระงรับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงรับอธิกรณ์อีกในหนึ่ง อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงพระชอบสองลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่ฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรระงรับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวหฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรระงรับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงรับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงพระชอบสองลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสลำเอียงเพราะกลัวหหนักในบุคคลไม่หนักในสงอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระ ง, งับอธิกรณ์บุบาลี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 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงพระชอบสองลำเอียงพระชังสามลำเอียงพระหลงสี่ลำเอียงพระกลัวห้าหนักในอามิ t h ไม่หนักในสัตรธรรมอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระ ง, งับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรระงรับอธิกรณ์องค์ห้าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัวหหนักในสัตรธรรมไม่หนักในอามิ t อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลควรระงรับอธิกรณ์สงแตกกันท่านพระอุบาลีทูลถามว่า สงแตกกันด้วยอาการเท่าไรหนอแหลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีสงแตกกันด้วยอาการห้าอย่างอาการห้าอย่างคือหนึ่งกรรมสองอุเทศสามชี้แจงสี่สวดประกาศห้าให้จับสลากอุบาลีสงแตกกันด้วยอาการห้านี้แหลสังขาชีและสังขเพศ ท่พระอุบาลีทูลถามว่าที่เรียกว่าสังราชีสังราชีด้วยอาการเพียงเท่าไร่จึงเป็นสังราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภทและก็ด้วยอาการเพียงไรเป็นทั้งสังราชีและสังฆเภทพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีอาันรตุกะวัดนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสําหรับภิกษุอาการตุกะทั้งหลายเมื่อศึกษาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว ภิกษุอคันตุ ก, กะทั้งหลายก็ยังไม่ประพฤติในอคันตุ ก, กะวัดอุบาลีแม้อย่างนี้แหลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศอุบาลีอาวาสิกโวัดนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสําหรับภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาทั้งหลายเมื่อศึกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาทั้งหลายก็ยังไม่ประพฤติในอาวาสิกโวัดอุบาลี แม้อย่างนี้แหลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศอุบาลีพัตตะวัตนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสําหรับภิกษุทั้งหลายตามลําดับผู้แก่กว่าตามลําดับราตรีตามสมควรคืออาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบินทบาทอันเลิศเมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุนวิกาทั้งหลายก็ยังพากันกีดการอาสนะในโรงพัท สำหรับพระเถระเสียอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศอุบาลีเสนาสนาวัดในเสนาสนะนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสำหรับภิกษุทั้งหลายตามลำดับผู้แก่กว่าตามลำดับราตรีตามสมควรเมื่อสสกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุนวกะทั้งหลายก็ยังพา ก, กันกี่ครั้เสนาสนะ สำหรับพระเทระเสียอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศอุบาลีอุโบสถอย่างเดียวกันปวารณาอย่างเดียวกันสังฆกรรมอย่างเดียวกันกรรมน้อยใหญ่อย่างเดียวกันภายในสีมานั้นเราบัญญัติไว้แล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อศึกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งหลายทาความแตกแยกกันแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มแยกกันทำอุโบสถแยกกันทำปวารณาแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันทำกรรมใหญ่น้อยภายในสีมานั้นเองอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเพศอธิกรณอุ ป, ปสมาวัคที่สิบจบหัวข้อประจำวักภิกษุรู้อาบัติอธิกรภิกษุลำเอียงพระชอบภิกษุได้ยินได้ฟังน้อย ภิกษุไม่รู้วัตถุไม่ฉลาดภิกษุไม่หนักในบุคคลภิกษุไม่หนักในอามิ t h สงแต่กันสังราชีและสังฆเพท 11. สังฆเพทกะวัก หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทําลายสงฆ์องค์ของภิกษุผู้ทําลายสงฆ์มีโทษท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ห้าต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องค์5คือ 1. แสดงอาธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอาธรรมสแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยหอัมพรางความเห็นด้วยกรรมอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์หนี้แลต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องค์หคือ 1. แสดงอะธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสแสดงสิ่งมิใช่วินัยว่าเป็นวินยัย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 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสมแสดงสิ่งไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยสแสดงวินัยว่าเป็นสิ่งไม่ใช่วินยัย 5. อัมพรางความเห็นด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้องค์หคือหนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยสแสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยหอัมพรางความเห็นชอบด้วยกรรมละถึง อํมพรางความเห็นชอบด้วยอุเทศชี้แจงอํมพรางความเห็นชอบอํมพรางความเห็นชอบด้วยสวดประกาศอํมพรางความเห็นชอบด้วยการให้จับสลากอุบาลีพิกษุผู้ทำลายสงประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีพิกษุผู้ทำลายสงประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกต้องไปเกิดในอบาย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 องห้าคือ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. อัมพรางสัญญาด้วยกรรมและถึงอัมพรางสัญญาด้วยอุเทศชี้แจงอัมพรางสัญญาอัมพรางสัญญาด้วยสวนประกาศอัมพรางสัญญาด้วยการให้จับสลากอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้สังกะเพทกะวักที่11 …จบหัวข้อประจำวักภิกษุอําพรางความเห็นด้วยกรรมด้วยอุเทศด้วยการชี้แจงด้วยการสวดประกาศด้วยการให้จับสลากนี้รวมเป็น5้าองความเห็นความเห็นชอบความพอใจ และสัญญาสามอย่างนั้นมีในยะแยกเป็นห้าในยะแลสิบสองทุติยสังคเพศกะวรกหมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงหมวดที่สององค์ของภิกษุผู้ทำลายสงไม่มีโทษท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ทำลายสงประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดารงอยู่ชั่วกับ มิใช่แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ประกอบด้วยองค์ห้าไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดารงอยู่ชั่วกับมิใช่แก้ไขไม่ได้องค์หคือหนึ่งแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นอะธรรมสแสดงสิ่งที่ม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัย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 หแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยสแสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัย 5. ไม่อำพรางความเห็นชอบอ <enough> ด้วยกรรมละถึงไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยอุเทศไม่ชี้แจงอำพรางความเห็นชอบไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยส่วนประกาศไม่อำพรางความเห็นชอบด้วยการให้จับสลากอุบาลี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 สองแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยสี่แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยห้าไม่อำพรางความพอใจด้วยกรรมและถึงไม่อำพรางความพอใจด้วยอุเทศไม่ชี้แจงอำพรางความพอใจไม่อำพรางความพอใจด้วยสวดประกาศไม่อมพรางความพอใจด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิกษุผู้ทาลายสงฆ์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 สามแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยสี่แสดงวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยห้าไม่อำพรางสัญญาด้วยกรรมและถึงไม่อำพรางสัญญาด้วยอุเทศไม่ชี้แจงไม่อำพรางสัญญาไม่อำพรางสัญญาด้วยสวนประกาศไม่อำพรางสัญญาด้วยการให้จับสลากอุบาลีภิษุผู้ทาลายสงประกอบด้วยองค์ห้านี้แล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 มีนยะแยกเป็นห้านยะและขอท่านทั้งหลายจงรู้20วิธีท่วนในฝ่ายขาวมือน20วิธีท่วนในฝ่ายดำข้างหลังเทิน 13. อาวาสิกกวัก หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาดองค์ของภิกษุผู้อยู่ในอาวาดท่านพระพรอุบาลีทูล ถ, ถามว่าภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาตประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแหลเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาดประกอบด้วยองค์ห้าเก็บของสงฆ์ตามที่นามาเก็บไว้ เหมือนถูกโยนลงนรกองค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงพระชอบสองลำเอียงพระชังสามลำเอียงพระหลงสี่ลำเอียงพระกลัว 5. ใช้สอยของสงดุดของส่วนตัวอุบาลีภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลีภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบด้วยองค์ห้า เก็บของสง์ตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์าคือหนึ่งไม่ลําเอียงเพราะชอบสองไม่ลําเอียงเพราะชังสไม่ลําเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลําเอียงเพราะกลัวหไม่ใช้สอยของสงดุจของส่วนตัวอุบาลีภิกษุผู้อยู่ในอาวาสประกอบด้วยองห้านี้แหลเก็บของสงตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์ การชี้แจงพระวินัยไม่ชอบธรรมท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการชี้แจงพระวินัยที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการชี้แจงพระวินัยที่ไม่ชอบธรรมมีห้าอย่างคืออุบาลีพิกสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งกำหนดอธรรมว่าเป็นธรรมสองกหนดธรรมว่าเป็นอธรรม 3. ากำหนดสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยสกำหนดวินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินัยหบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติถอนข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อุบาลีการชี้แจงพระวินัยห้าอย่างนี้แลไม่ชอบทมอุบาลีการชี้แจงพระวินัยที่ชอบทรมีห้าอย่างห้าอย่างมีอะไรบ้างคืออุบาลีภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1>, 1กำหนดอธรรมว่าเป็นอธรรมสองกำหนดธรรมว่าเป็นธรรมสกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วินยัย 4. กำหนดวินัยว่าเป็นวินยัยหไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่ถอนพระบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อุบาลีการชี้แจงพระวินัยห้าอย่างนี้แหลชอบทำองค์ของภิกษุผู้แจกพัด ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลเก็บของสง์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์ห้าเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกองค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชัง สามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวหไม่รู้จักอาหารที่แจกและอาหารที่ยังไม่ได้แจกอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลีภิกษุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์ห้าเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์ห้าคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสมไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวหรู้จักอาหารที่แจกและอาหารที่ยังไม่ได้แจกอุบาลีภิกสุผู้แจกพัดประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเก็บของสงตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์ของภิกสุผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้นท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้รักษาคลังเก็บพัสดุละถึงภิกษุผู้รับจีวรภิกษุผู้แจกจีวรภิกษุผู้แจกยาคูภิกษุผู้แจกผลไม้ภิกษุผู้แจกของเคี้ยวภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยภิกษุผู้ให้รับผ้าสาดภิกษุผู้ให้รับบาด ภิกษุผู้ใช้คนทํางานวัดภิกษุผู้ใช้สมณี น, นประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแหลเก็บของสง์ตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ใช้สมณี น, นประกอบด้วยองค์ห้าเก็บของสงฆ์ตามที่นํามาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกองค์ห้าคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชัง สาลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวหไม่รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่ยังไม่ได้ใช้อุบาลีภิกษุผู้ใช้สา ม, มนเณรประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกโยนลงนรกอุบาลีภิกษุผู้ใช้สา ม, มนเณรประกอบด้วยองค์ห้าเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์องค์ห้าคือ 1>, 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่ยังไม่ได้ใช้อุบาลีภิกษุผู้ใช้สมณีประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์อาวาศสิกวักที่13จบหัวข้อประจำว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 ภิกษุผู้ใช้สามเณร 14. กถินนัทธารวักหมวดว่าด้วยการกลางกถินอนิสงกรารกลางกถินแท่นพระอุบาลีทูลถามว่าการกลางกถินมีอนิสง์เท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการกลางกถินมีอนิสงห้าอย่างนี้คือหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือตรายจีวอนไปครบสําสำรับสฉชั้นคณะโพชนะได้ 4. ทรงอติเรกจีวอนไว้ได้ตามต้องการ 5. พวกเธอจะได้จีวอนที่เกิดขึ้นในที่นั้นอุบาลีการกรานกระถินมีอนิสงฆ์ห้าอย่างนี้แลโทษของการนอนลืมสติแทมพระอุบาลีทูลถามว่า บุคคลผู้นอนหลับลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีบุคคลผู้นอนหลับลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษห้าอย่างนี้คือหนึ่งหลับเป็นทุกสองตื่นเป็นทุกข์ 3. เห็นความฝันเลวสามสเทวดาไม่รักษาหน้ำอสุจิเคลื่อนอุบาลี บุคคลผู้นอนหลับลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษห้าอย่างนี้แหลอานิสง์ของการนอนมีสติอุบาลีบุคคลผู้นอนหลับมีสติรู้สึกตัวมีอานิสงค์ห้าอย่างนี้คือหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสไม่เห็นความฝันเลวสามสเทวดารักษาหน้ำอสุจิไม่เคลื่อนอุบาลีบุคคลผู้นอนหลับมีสติรู้สึกตัว มีอนิสง์ห้ายอย่างนี้แลบุคคลไม่ควรไหว้ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุที่ไม่ควรไหว้มีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุที่ไม่ควรไหว้นี้มีห้าจำพวกคือหนึ่งไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เข้าไปสู่ละแวบบ้านสองไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เข้าไปสู่ถนน 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ในที่มืดสไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ไม่ได้สนใจหไม่ควรไหว้ภิกษุผู้หลับอยู่อุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แลที่ไม่ควรไหว้อุบาลีภิกษุที่ไม่ควรไหว้แม้อื่นอีกห้าจำพวกคืหนึ่งไม่ควรไหว้ภิกษุในเวลาที่ดื่มยาโคสองไม่ควรไหว้ภิกษุในโรงพัท 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เป็นศัตรู 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังคิดเรื่องอื่น 5. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังเปลือยกายอุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แหลที่ไม่ควรไหว้อุบาลีภิกษุที่ไม่ควรไหวแ้แม้อื่นอีกหําจำพวกคือ 1. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กาลังเคี้ยวอยู่ 2. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กาลังฉันอยู่ 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังถ่ายอุจจาระ 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังถ่ายปัสสาวะ 5. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ถูกสงยกวัดอุบาลีภิกษุหําจำพวกนี้แหละที่ไม่ควรไหว้อุบาลีบุคคลที่ไม่ควรไหว้แม่อื่นอีกจําจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบททีหลัง 2. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบันฑ สมไม่ควรไหว้ภิกษุน า, นานาสังวาสมีพรรษาแก่กว่าเป็นอธรรมวาที 4. ไม่ควรไหว้มาตุคาม 5. ไม่ควรไหว้บรนดอกอุบาลีบุคคลห้าจำพวกนี้แหลที่มีคนรไหว้อุบาลีภิกษุที่มีคนไหว้แม้อื่นอีกห้าจำพวกคือ 1. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กําลังอยู่ปริวาส 2. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิม สมไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตสไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กาลังประพฤติมานัตหไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่อภานอุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แหลที่ไม่ควรไหว้บุคคลควรไหว้ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุที่ควรไหว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุที่ควรไหว้นี้มีห้าจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทหลังควรไหว้ผู้อุปสมบทก่อน 2. ควรไหว้ภิกษุน า, นานาสังวาดผู้มีพรรษาแก่กว่าเป็นธรรมวาที 3. ควรไหว้พระอาจารย์ 4. ควรไหว้พระอุปชา 5. ควรไหว้พระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แหละที่ควรไหว้ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อ่อนกว่าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่าควรตั้งทำเท่าไรไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้าพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้อ่อนกว่า เมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่าควรตั้งทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้าทำห้าอย่างคืออุบาลีภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่า 1. ควรห่มผ้าฉวียงบา 2. ประคองอัญเชลีสนวดเท้าด้วยฝ่ามือทั้งสองสมีความรัก 5. มีความเคารพแล้วจึงไหว้เท้าอุบาลี ภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่าควรตั้งทำห้าอย่างนี้แลไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้ากรถิณาธรรวักที่14จบหัวข้อประจำวักการกลางกระถินการหลับเป็นสุขไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เข้าสู่ละแวกบ้านดื่มยาคูเคี้ยวอุปสมบทก่อนอยู่ปริวาทบุคคลควรไหว้ ภิกษุอ่อนกว่าว่ายภิกษุแก่กว่าอุปาลิปัญจกะจบหัวข้อบอกวักอานิสิตะรักรรมวรคโวหารวักทิทาวิกรรมวรกโจธนาวักทุดงคาวักมุสาวาทวรกพิคุโนวาทวรกอุพาหิกวรักอธิกรณาอุปสมะวรคสังคเพทกะวักสังคเพทห้าอย่างเหมือนก่อน อาวาสิกวัคกระธิณัรวัครวมสิบสี่วัคท่านประกาศไว้ดีแล้วแล